บายสิ่งที่นักปฏิบัติควรใส่ใจให้มากกรรมอารมณ์คือ 5 5 ได้ แนวทางสําหรับปฏิบัติก็ตกคือคือ รวมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นคือทุกๆสิ่งทุกๆเช่นเห็นก็ เป็นต้นต้นใจก็ไม่ 5 รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิด มีรูปร้อนรุ่มเสียงปรากฏทางเกือบจะเอาเพศบรรพชิตไปไม่ตลอดเสมอจิตใจ ประมาณเดือน 1 ที่ข้าพเจ้าแสนทรมานแต่แล้ว ตามแต่จะคิดได้แต่จะฉันให้น้อยพออยู่ได้คิดได้จิตใจจะได้ไม่มีโอกาสคิดถึงรูปเสียงขั้นตอนในการปฏิบัติก็คือฉันเช้าเสร็จแล้วหลักการ พร้อมพระธรรมคุณขอให้ความสว่างความสงบพระพุทธคุณพระเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นพระ 5 แล้วตั้งใจว่าทําถ้าครบ uh, 15 วันแล้วไม่ครบ 15 วันแล้วแล้วเลยนิดได้ว่าก็ ฉะนั้นต่อไปนี้เราควรใช้หลักสติประฐานเข้ามาแก้ปัญหาดูนั่นคือจะคอยติดตามดูจิตอยู่ทุกๆขณะจิตคิดไปไหนลดเราจะตั้งใจดูอาการอยู่ของจิตต่อและมันร้อนเพราะอะไรถ้าจิตรู้สึกสบาย เพราะจะกําหนดถ้ามันหาเรื่องหาราวที่เป็นทุกข์มาใส่ตัวเราก็จะพยายามรู้มันสบายยัง 30 นาทีจิต เย็นและสงบข้าพเจ้าอุทาในใจด้วยความ วันนี้ที่สุดก็ปกติเหมือน วิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลการแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยความหวังดีต่อกันที่เมื่อท่านเจอมานทางกายผลจึงอาจจะแตก อย่าให้หวั่นไหวอย่าให้คอนแครนค่อยให้ให้ จะทดลองท่านก็จะพบวิธีใดวิธีหนึ่งในใจของท่านเองจนได้ปัญหานั้นตาม ก็โดยอาศัยหลักค่อยทําค่อยสมาธิปัญญาจะ หรือเจริญธรรมตามหลักก็ ผลของราคะโทสะโมหะก็และจะแสดงอาการเป็นครั้งคราวจิตใจก็มืดเป็นครั้งคราวไม่มืดตลอดชีวิตก็ยังนับว่าดีอยู่บ้าง เมื่อเดินทางก็ต้องอย่าหลงทิศ เช่นภิกษุไม่ควรเกี่ยวข้องที่สุดอยู่สองอย่างคือเช่นๆ ยิ่งความเป็นตัวของตัวก็ยิ่งหมดไปยิ่งโดยหมดความเป็นอิสระในตัวกามคุณ 5 เท่าไหร่ความ พิจารณาจะเห็นได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าสงสารเหลือเกินปัญญาหึงและเป็นทุกข์ทรมานจิต ถ้าอยากมีสมาธิปัญญาอย่าพูดและสมาธิปัญญาอีกนาย 8 อย่าชีวิตของท่านก็จะพบความสุขใจชีวิตในทาง 8